213. จีวรปฏิคขาหกะสัมมติกถาว่าด้วยการแต่งตั้งภิกษุเป็นเจ้าหน้าที่รับจีวรเรื่องทายกนำจีวรกลับคืน 342. สสมัยนั้นคนทั้งหลายถือจีวรมาสู่อารามหาภิกษุผู้เป็นเจ้าหน้าที่รับไม่ได้